เรื่องกระโดดหน้าผาสองเรื่องไม่นั้นภิกษุรูปหนึ่งเกิดความเบื่อหน่ายจึงขึ้นภูเขาคิดจะกูดแล้วกระโดดลงทางหน้าผาทับช่างสันคนหนึ่งตายแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติดาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบกร้องตรัสว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้า ไม่มีความประสงค์จากข้าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตตาราชิกอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงทำให้ตนเองตกภิกษุใดทำให้ตกต้องอบัติทุกกฎวงเล็บเรื่องที่31สอสมัยนั้นพวกภิกษุชัวพคีขึ้นภูเขาคิจกูดกลิ้งศิลาเล่นศิลาตกทับคนเลี้ยงโคคนหนึ่งตายพวกท่านเกิดความกังวลใจว่า พวกเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบภูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอบัติปาราชิกอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกลิ้งศีลาเล่นภิกษุใดกลิ้งต้องอบัติทุกกฏวงเล็บเรื่องที่32สอง